พระหลัดถนัดใจขอกราบกราบต่อครูบ า, าอาจารย์หลวงพ่อตอนสุขก็อาจารย์นรสอาจารย์สุรินและเพื่อนสัตมิตุทุกท่านก็เจริญพรยัติโยมทุกทุกคนก็อนตามสบายๆนะครับ พวกเราก็ <c oughs> ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมเอาใช้รูปแบบของหลวงพ่อเทียนชี้ให้ก็คือการฉันสติสร้างจังวะเดินจงกรม ให้รู้สึกตัวดูกายดูใจชั่วขณนะชั่วขณนะอยู่กับปัจจุบันนี้อยู่ที่นี้กายกับใจให้พร้อมเพียงกัน ก็รู้สึกตัวตอนที่เดินตอนที่นั่นตอนที่นอนก็ให้รู้สึกที่เดียบททั้งสเดินก็ตามนั่งก็ตามยืนก็ตามนอนก็ตาม ทำอะไรทำการทำความสะอาดทางเข้าเดิมไปเดิน ม, มาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัว บางทีก็ความคิดเกิดขึ้นไปที่อดีตไปอนาคตก็ดึงกลับมาให้รู้สึกตัวบางทีจิตพุงสร้างไปที่บ้านไปที่ทำงาน ไปเที่ยวที่นั่นที่โน้นก็ให้รู้สึกตัวกลับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ชีวิตเราก็ก็อยู่ในโลกนี้ก็อยู่ที่ ที่บทถ้าดูรายละเอียดก็อยู่ที่ตาางหอินซีตั้งหกยานก็สัมผัสก็อยู่ที่ ตาหูจมูกริ้งกายใจเป็นที่เป็นอากาศก็เกิดขึ้นเป็นโลกของเราก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อาคารทันหมดก็เกิดขึ้น ก็เห็นรูปมันรูปก็สีบ้านสว่างบ้านมืดบ้านจมูกก็ได้กลิ่นกลิ่นหอมบ้างกลิ่นแมมบ้านเสียง บุญบายเสียงดานเสียงเบาเสียงไพเราะเสียงก็เพาะดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไปเรื่อยๆืย สัมปัสตางกายก็ก็ล้อมบ้านหนาวบ้านแขนนิมมันทีก็หิวข้าวอิ่มแล้วก็แบ่งอาการกึนท่านอยู่ดดบไป ที่จิตก็เหมือนกันเป็นธรรมอารมณ์ความอ า, อาการก็หลายยานกเกิดขึ้นดาบไปแล้วก็เวทนาก็ก็เกิดขึ้นทันทีภาษา นิโคสามิยานตันอาตนาไปไหนไปโนวินยานสามผัด ก, กันเป็นปัดจุมกันหูจ ม, มูอาหูก็ได้จินเสียงรูสุกก็เวทนามันเกิดขึ้นทันที สุขกระเบตานาก็รู้สึกดีใจรู้สึกก็ดีแต่วันทีก็เกิดมันทุกกระเบตานากก็ไม่สบายใจไม่สบายกาย ยินดีจินไล่ก็เกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นอาการมนกับธรรมชาติตาด้านนอกเป็นผลตอกแดดก็ อ, อกมีเม่ด สว่างขึ้นมืดไปก็เดินไปเรื่อยๆก็เห็นมันเห็นมันเป็นอาการด้านนอกอาการด้านในเป็นธรรมชาติถ้าเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใด ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอาการเกิดขึ้นตัอยู่ดับไปแต่อาการเฉยเยก็ไม่ถึงไม่ใจของเราไม่ใจตัวเราไม่ใจเป็นสัตว์บุคคลแก่อาการมันก็เกิดขึ้นดับไป เป็นอนิจจัน์แล้วก็อนัตตาอนัตตานีไม่ใจตัวไม่ใจต้มแกอาการที่เกิดขึ้นไปายตระนไปในไปนอก ไม่ได้เอาจับมันก็แก่ดูไม่ได้เป็นไอเพนว่าเป็นอะไรเป็นอะไรความทุกข์ก็จะเป็นเกิดขึ้นทางกายทางใจ ทางกายก็เจ็บปวดมันเป็นทุกต่างกายก็ให้รู้สึกไม่ได้เป็นให้รู้อาการทางกายเป็นเจ็บปวดเป็นขันเป็นไม่สบายกายสารพัด ก็เป็นธรรมดาเรื่องธรรมดาความแก่ความเจ็บก็เป็นธรรมดาให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆก็ไม่ใจตัวไม่ใจตม ถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ใจเป็นผู้ผวดไม่ใจผู้เจ็บก็เจนนั้นมันตีก็เป็นมีความกำบนใจ ความหวานไม่ได้สมหวันปรารถนาไม่ได้สมปรารถนาปิดหวนว่าอันบนแต่งควร ก็เป็นธรรมดาก็เป็นราการถ้าเราอยากได้นี้อยากได้น้มก็ไม่ได้ไม่ได้รับผลก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้น แต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็มีเหตุมีผลเป็นธรรมะธรรมชาติถ้าเราหยุดมั่นถือมั่นสิ่งอะไรก็ไม่ใจผมแล้วก็ทุกข์ใจไม้แหงเป็นเป็นธรรมะ ว่าเป็นอย่างนี้อย่างงั้นมีเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมได้กรรมกรรมดีได้กรรมเออได้ดีกรรมชื่อก็ได้กรรมได้ก็ได้ชื่อ ก็เป็นกดธรรมชาติมันก็เป็นประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเอามาบทเรียนเราก็ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ก็ได้มีโอกาสบทเรียนมาก เวลาไหนเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยากได้นี่อยากได้นั่นก็ผิดหวานก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ได้หวานไม่ได้ปรารถนาก็ไม่ มีความทุกข์เกิดขึ้นก็อยู่เป็นปกติเป็นธรรมดาธรรมชาติก็ให้รู้สึกอยู่กายอยู่กับกายอยู่กับใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นดับไป แล้วก็เอาเห็นถ้าไถ้าไม่เป็นแล้วก็เห็นได้เป็นอาการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะก็ไม่ใจตัวไม่ใจของเราเข้าใจแล้วก็อิสระ จากทุกสิยงทุกอย่างอิสระนี้ก็เป็นนิพพานอิสระในปัจจุบันนี้ขนาดนี้ก็เป็นนิพพานกับจุบันนี้ขนาดนี้ความถูกก็ดับไป เราก็ไม่ด้ยหวานรสชาติหน้าก็ได้เราก็อยู่ที่นี่ก็ให้รู้ตัวดับทุกปลายทานทีมีมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณว่าเราหยุดมั่นถื่นมั่น อะไรเป็นอะไรก็ปล่อยไปปล่อยสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็หายไปเองความทุกข์ก็หายมนกับว่าเราไม่ต้อสื่อกับมืดความมืดให้จุดไฟ ก็สว่างขึ้นมืดก็ดับไปความคิดสร้นเรื่อนเรื่อนที่ก็ไม่เป็นสุขเรื่อนทุกข์ก็ทุกข์ไปช่วงขณะนั้น ก็ให้จบเรื่องปล่อยแล้วก็จบเรื่องได้ตามตีบางทีก็สร้างภาพในใจก็หน้าเกลียดน่าหน้าเห็นก็ให้รู้แล้วก็ดับไป เพราะว่าตื่นตัวอยู่แล้วฝันก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็มันก็เกิดขึ้นไปถ้าเราไม่ได้ติดมันเอายึดมันก็ดับไปเป็นธรรมชาติ ถ้าเรารูสุดไปรูสุดไปสางสติมากมากตอนแรกๆก็ขอความเพียรตั้งใจก็ทาไปเรื่อยๆก็ค่อยๆมัน ไหวต้านใจมากก็ได้ทำเด่นเด่นไปก็ได้เพราะว่าสติก็ช่วยเราสติก็สร้างทำการรักษาสิ่ทำสมาธิให้เกิดปัญญาเป็นอตโนมัต ความสัตย์ชั่นสรึงสตินี่เป็นบริสุทธิเราก็ไม่ได้เอาไม่ได้เอานี้เอานัน้นทำไปทำไปเรื่อยๆสร้างไปสร้างไปให้อยู่กับปัจจุบัน ทุกสินทุกอย่างล่อยไ ป, ปล่อยไปก็เป็นนิ ส, สัยแต่ก่อนนิ ส, สัยว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นด้วยเอานี้เอานั่นยึดนี้ยึดนั่นก็ไม่มีสระเป็นท่าของ รูปนามธาตุของสิ่งท่านหล้ท่านนอกธาตุของจิตใจด้านในหาการมเบตนาสัญญาสังการมบิญญาแต่ว่าเราก็เปลีป่ยนแปลงปฏิบัติก็เปลีป่ยนแปลง นิสัยว่าเต็มผัอเห็นเผ็มภาวะเห็นอาการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้จนเราไปนี่ไปนั่นไปทุกก็ให้เป็นปกติ ธรรมชาติอยู่ไปเรื่อยๆจะบิที่บริสุทธิ์หมดชดให้อยูส่ส บ, บายเป็นกเกษมศึกก็เป็นหนักก็เป็นพืชที่สระเป็นพืชที่เป็น อยู่เป็นนิพพานก็ให้อยู่ไปเรื่อยๆไม่เผลอไปเผลอไปแล้วก็กลับมาเผอไปนิดหน่อยยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งกลับมาได้แล้วหรือเท่าตัน ล้วขึ้นลรวขึ้นไปแล้วก็กลับมาตานที่เดินตัวตานที่ก็อยู่ยามเป็นสมาธิ ก็เวยเรือได้ตัวเอไปกายกองแล้วก็่วยเลือพึ่งก็ได้โดยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้วางผงอะไรมาแต่ทําไปเป็นหน้าที่เป็นทาไปก็เอามา เป็นจิตเมตตาการุณานี่ก็เกิดขึ้นจากสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นก็เราก็รับมันเป็นอาการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เอาแต่ว่าเราก็ ให้รู้สึก <c oughs> ไปเรื่อยๆก็การที่ดี <c oughs> พวกเราก็มาปฏิบัติทำใช้เวลาเพื่อให้ชีวิตของเราสะอาดสงบสว่างสมบูรณ์ด้วยการเจริญสติ ให้รู้สึกตัวได้เข้าใจสังก่อนสังการได้เข้าใจธรรมะเป็นชีวิตเลืดชีวิตี่มีคุณค่ามากที่สุด ก็ขอให้อปฏิบัติอาจริญสติใจโอกาสใจเวลาให้ไปออกเต็มที่ทุกๆคนจริ์ปอนทุกๆคนครับข้อะรมการ